ังธรรมเนาะก็ได้โอกาสละทำบัตรเช้าทำวันหยุดจบลงตามกิตวัดวิธีวัดของพระธรรมไว้หน่อยแล้วก็ได้โอกาส ไดอพบได้เห็นเป็นมิตรกันระยานามิตรอิสุแม่คียอดโจมจะมีโอกาสใต้ลองรมก็อยากจะบอกอยากจะพูดความเท็จความจริงในกาดนี้ในเวลานี้สู่กันฟัง ในกาให้อาหารจิตวิญญาณอาหารกายแล้วก็เริ่มแล้วตอนเช้าหุงข้าวก็หุงข้าวโป่าพื้นก็พาพืน้นผู้กาอไฟก็ผาก่อไฟเพื่อได้อาหารทางร่างกายอาหารจิตใจก็เช่นเดียวกัน พวกท่านอาจจะไม่หิวอาหารจ่ายอาจจะเบือนายต่อเขาสอนก็รมีบางกิวิตแต่ว่าผู้ให้อาหารไม่ได้เบือนายไม่ได้มองแบบนั้นสมนแม่พ่อแม่เลี้ยงลูก <c oughs> <c oughs> ลูกไม่อยากดูดนมก็พยายามเอาตู้ออนนมป้อนปากยัดเศษ ป, ปากให้รวมบังดีของแม่เวลาป้อนข้าวลูกไม่อยากอ้าปากแม่ก็ทำท่าหัวเลาะให้ดู ล, ลูกของหัวเลาะด้วยพอ ล, ลูกหัวเลาะอ้าปากแม่ก็ข้าวป้อนปากพยายาม แม่บางทีลูกน้อยเดินไปโน่นไปนี่ก็ยังป้อนอยู่ถือขันข้าวถือหลหานตามป้อนลูกแต่ว่าลูกไม่ได้ตั้งใจไม่คิดจะข อ, อกินเป็นไม่มีช่วยตัวเองแค่นั้นไม่ได้แต่แม่พยายามในลูกอ่อนเลี้ยงให้อาหารให้นม น้ที่ของแม่คือป้อนข้าวในปากหน้าที่ของลูกคือเกินทำข้าวลงไปคนที่กลืนคือลูกนั่เองแม่เกินให้ไม่ได้การเกินกข้าวลงไปจะลำคอเขาก็จะเลื่อนเติบโตเองเขากินเองเขาจะเลื่อนเติบโตเอง อันนี้ก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของธรรมผู้จะแดงรม <c oughs> ามพูดไปตามความเท็จความจรงิงแต่ผู้ฟังจะคกนลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าขหัวซ้ายออกหกวขวาเก่อหน่อยต่อคำสัสอนที่จุดทำตามอาจจะไม่เหมือนคืน เหมือนกับข้าวที่พอลูกเปิ่ลงไปไม่เกืนเลยข้าวใชปากคายทิ้งแม่ก็เสียใจนี่ก็น่าเสียด้บอกให้เวลามันหลงบอกเปลี่ยนให้หลงแต่ว่าเปลี่ยนเั้นเป็นคนผู้ฟังเองไปเปลี่ยนเราอยเอง จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมแกปัญจวัคคีนะควรทัญยาตั้งใจฟังใส่ใจพุทธเจ้าโชว์เรื่องทางที่ไม่กว่าดำเนินเป็นสองทางธรรมาจุกธรรมาจุขันธิการที่โอโค ปฏิบัติผิดอัตชีมัทธาโยโคคือปฏิบัติตึงเครียดตกลงงานตนเกินไปแล้วก็โฉมักอาลีมักให้ฟังให้ดูคนทั้งยาตั้งใจฟังพอโฉอเลียมักก็โทรถึงอรัตะธรรม ความไม่ความไม่เที่ยงลูกเป็นทุกน้ำเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารนิยามไม่ใช่ตัวตนต่อไปเราก็ยศศรีอนทายาก็ฟังตามไปติดตามไปเหมือนกับรูปกกินข้าวลงไปแล้ว ออกเกนเข้าลงไปเห็นจริงเข้าใจเข้าใจทำได้ทำไปทำในใจไปด้วยทำใ น, ในใจไปด้วยในสุดเป็นงานสามทีนาทีจบธรรมเทศนาธรรมจกกักรกวพวัตนะสูตรโอนธทรจารได้ประลุทำเลยเหมือนลูกดอยคืนเข้าลงไปก็เป็นเลือดเป็นเนื้อ เป็นกําลังมังชาเจริญเติบโตโ ต, ตเองพอาม่โตให้ไม่ได้ผู้เพ่งทำกว่าโตเองมีความในดวงตาเห็นธรรมเองว่าความหลงไม่จริงคมไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงควมไม่ทุกข์เหมือนจริงต้องเปลี่ยนตัวเองส่วนว่ิปปัตติยะมหานามะอสฉิไม่ได้ฟังเป็นตั้งใจเลย ยังหันข้างไปทางอื่นอยู่หันหน้าไปทางอื่นออโคนทัญญาพระเจ้าตอบพระเจ้าอุทานออกออกมาอัญญาสิวัตถโฟกนทัญโยอัญญาสิวัตโฟกนทัญโยอัญญายุ่แล้วหนออัญญาลู่แล้วหนาผู้มียยุ่คนทัญญาได้ลู่แล้วหนอ จึงอนุโมทนายินดีด้วยจึงมาตั้งใจเห็นด้วยกับธรรมเทศนาพิ่ารนได้แล้วก็อมองตัวเองว่าไม่ได้ตั้งใจฟังมาแต่สมกิบประทางอื่นเข้าหูซ้ายออกหวกวา ในที่สุดพระเจ้าก็สรุปว่ายังจริงจีสมุทญาธรรมังสัพพังทางสัพพันทางโรธรรมันติเห็นได้ถึงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาศิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาว่าได้ผลแล้วได้ผลแล้วเหมือนกับว่าพระธรรมพุทธเจ้าตถ้สรูกชอบได้โดยพ่อเองสอนื่ในให้รููตามว่าได้ด้วยอ น, นี้ เป็นในชื่อว่าเป็นสัมมาสัมพุโทวทิชุตได้แล้วมีผลเกิดขึ้นแล้วรรพราป่าพทธิยะมหาหนามอ า, าอัจคิิระเลยตั้งใจฟังโงธนาพาระยจาก็เทศอยู่ที่นั่นปันอิปอิสิป ต, ตนาบุรุกทายาวันจนอจุจุดนั้น ว่าปฏิยามหาดามอาชิคิก็ได้เป็นปาลหารเช่นเดียวกันเพราะมีแบบอยา่างเห็นความเทศความจริงการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็เหมือนกับเราฟังธรรมอยู่ในตัวเลยทีเดียวบางทีมันอ่อนแอเชื่อมแข็ง ก่ อ, อนแรกคือกามาสุขอนิการโยกวเมาหอนอนค่อยไปจิตใจคิดไปานั้นก็นค่อยตามความคิดตาไปทานใดก็ไปตามตายินดียินร้ายผิดผิดตกๆชอบไม่ชอบโอนี่เป็นการมาสุขอนิการโยกผิดผิดตกๆอยู่เสมอ พอใจไม่พอใจอยู่เสมอไม่ได้เป็นมากเลยไม่ได้ดูว่าส่วนมากจะได้โอกาสที่ตรงนั้นเช่นเห็นผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นขวางง่วงไม่ใช่เป็นผู้ง่วงมันมีโอกาสตรงนั้นด้วยมองสองทาง ขาขึ้นขาลงอันหนึ่งปล่อยอัน1วางอัน1ยึดเมื่อผิดก็ไม่ชอบยึดแล้วเมื่อถูกกงชอบยึดแล้วไม่ได้วางแล้วก็หมดแรงอาจจะเบื่อหน่ายอาจจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นกูฝึกตนสอนตน ก็ให้รู้จักการฝึกตัวเองเป็นสารถทีเองฝึกตนเองแล้วก็มีทมที่เป็นเครื่องมือนำไปใช้ได้ได้ยินมามากแล้วเป็นพ่อขู้ตรกันมากแล้วมีการฟังธรรมทุกวันตอนเช้าตอนเย็น มีการฉากัะฉาในตัวเห็นหลงเห็นลูเห็นทุกเห็นไม่ทุกเห็นความผิดเห็นความไม่ผิดเห็นความถูกเห็นความไม่ผิดเป็นฉากัะฉาไม่ได้เป็นการบ้างไม่ได้เป็นการบ้าน เป็นตัวเฉลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติการฝึกตนสอนตนนี้ก็ให้ฉีดเขียวฉลาดเหมือนสะลรถีสะลรถีผู้ฝึกตนเหมือนสะลรถีฝึกข้างฝึกมากต้องฉลาดฝึกเกินฝึก วัวเผือกรวยเตรียมข้าเตรียมถ่ายเกใหม่ๆก็จะให้มันเขีดลาบอย่ารีดอย่าจนเอาให้มันเหนื่อยเมื่อยล้าเ ก, กินไปพอมันเดินตามทางดูดีไปดีไปงามพูดกับมันดีๆไปไป วางวิทยาวิทยาเกี่ยวกับมันดีๆมองหน้ามันถ้าอยู่ในรอดือเปลี่ยนก็มือรูปหลังมันไปไปไปแล้วมันแปลงมากก็หยุดวางลงปวดแอกออกจากคอมันจุงไปกินน้ำเอายาให้กิน เวลามันเข้าทำงานใหม่เหมือ่อมันก็เหนื่อยเวลาออกจากค่าจากถาแถวเอาน้ําับหาน้าลดน้ า, นาบิดน้าใส่ลา้างลูกหน้าลูกตาตบหลังตบผ้าปล่อยไปกินยากมันก็ไม่ไม่เขื่ล้ามมันจะเป็นความสนุก บางทีถ้าเราฝึกเวลามันประโยชน์ไปปล่อยมันขนาดที่มันประโยชน์มันก็มีโอกาสถ้าเหนื่อยมากคนมันก็มาจอดชิ่งฆ่าทิ้งไถ่ทิ้งโล่ทิ้งเกวียนแล้วไปตีไปฆ่ามันตอนนั้นไปเขี้ยนไปตีมันไปถูกไปด่ามันมันก็ได้แต่ความผิดเวลา คนฝึกที่ใดก็ได้แต่ความผิดมันก็เป็นการเฉีดหลาบรื้อด้านประยชน์ได้ไม่เอางานเอาการได้การฝึกตนก็เช่นเดียวกันือกจากการลักเทวะพอประมาณอย่าให้อมอย่าให้ซึมไปด้วยความผิดวันนี้ไม่ดีเลย วันนี้ดีได้ความสงบดีอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นขาโลงไปแต่วางแต่วางเวลาเราเฝึกงัดจเจ้าให้ได้จะทําให้ได้ชีวิตขาขึ้นอย่างนี้เหมือนขึ้นเขาขึ้นดอยจ้าให้ถึงจะขึ้นในถึงหลังเขามันก็เหนื่อยชั้นสองทางอาจจะไม่มีความบริสุทธิ์ไม่รู้สึกตัว ใหจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้รักษานั่นไม่มีโอกาสบรรลุธรรมได้เวลาอะไรที่มันเกิดอะไรขึ้นมา <c oughs> <c oughs> มีธรรมมีเครื่องมือเยอะแยะช่วยเหลือมองอะไรให้ป็นเรื่องดีแม่เวลาเราผิดเออพระเจ้าคงผิดอย่างนี้เหมือนกัน เราได้แสดงธรรมาให้มีความอดทนในความผิดมีความอดทนในความยืดบ้านในความเสียสละเราอดทนไห้ขณะที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเสียฉละไหมเรามีสติปัญญาไหมของสังขารที่มันปรุมันแต่งกายสังขารจิตสังขารที่มันปรุงมันแตงง่งเรา ม, มีปัญญาตรงนี้ไหม หรือสังขารเป็นสังขารปุงไปเลยก็ไม่เหมือนพูดเจ้าแล้วพูดเจ้าได้ปัญญาตรงนี้เยอะแยะทำเครื่องมือที่นำมาประกอบในการปฏิบัติมากมายแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรแล้วก็ได้ยินได้วัง แล้วก็มีพระบรมโกรรรคพุทธเจ้ามีคำสอนมาประกอบการปฏิบัติไม่จนเลยสิ่งเล็ดลอ้อมต้นไม้เป็นเพื่อนให้ความร่มเย็นกี่ดกออกนหบางต้นบางต้นกับใบร่วงโรยมันเสียสลา เหนืต้นสวนว่านที่ข้างกระตีร้องตานี่มันเสียชละถ้ามันจะเขียวอยู่มันก็ไปไม่รอดมันก็มีหน้าแรงต้นไม้ไม่ใช่มีหน้าฝนเสมอไปมันก็ยังสู้มันก็ยังสู้มันไม่ยอมจำนนเสียสละสวนใดส่วนหนึ่ง เหมืนฉลาดไปลงก็เฉียบฉลาดทั้งที่มันรักถ้าไม่ฉลาดมันไม่ได้มันจะไม่รอดบางทีเรายืดตลายเมื่อยืดตะลายว่าในอาสในใจในอารมณ์ทำเกิดได้ายากไม่เฉียบฉลาดว่าจะเกิดเพราะเฉียบฉลาดเกิดทําเกิดมากเกิดผลเกิดปลเกิ ด, เ ก, ด, เ, กดเกิดอะไ มันเกิดมันจะเกิดการปล่อยวางจึงเป็นมรรคเป็นผลหลุดพ้นเห็นไหมที่เราสาธยาพระสูตรสมมาทิทฐิน่นที่สุดกคือไม่มีแี่ม่แต่สุขไม่มีไม่แต่ทุกข์มีแต่สติแล้วแล้วอยู่มันยังจะเป็นบนรรลุทรรมถึงมรรคถึงผลได้ มีให้เราได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาเวลาเราปฏิบัติเหมือนได้อยู่ในอสูตรได้มีตำราได้อ่านได้เห็นได้สัมผัสบางทีสัมผัสในคราวเดียวกันมาพร้อมกันว่าไม่เที่ยงมาพร้อมกับปัญญารวมเดินทุกมาพร้อมกันกับปัญญาแต่ถ้าเรา ไม่ศึกษาไม่ทะลุงไม่สิกษาก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ผู้ศึกษานักศึกษาจะได้ฉลาดได้เห็นได้ปัญญาได้พัฒ น, นาเราไม่เที่ยงได้พัฒ น, นาให้เป็นปัญญา ความเป็นทุกข์เกิดขึ้นในพัฒนาให้เป็นปัญญาเหนือนเหมือนไปจำหนดมีโอกาสอะไรก็ตามในโลกนี้หวงมันก็มีเหมือนการดตจนไหม้ด้าแรงมันก็พยายามที่จะได้ปัญญารู้จักสละ เพื่อควาอยู่รอดของมันได้มันรู้จักอ่ารังตาาประโยชน์ในอกเลยหน่วยสาระในหน้าหนาวเลย <c oughs> มันทําในมันทําอย่างฉับพลันไม่เหมือนค่อยเป็นค่อยไปนะมันหักดิบ ดูนี่ประเทศสารัดนยประเทศที่หนาวเนี่ยใบไม้จะเหลืองพร้อมกันบดทั่วประเทศโลนลงหนาวคืนเดียวท่านละ่ะมันทกดิบเลยพอวันหนาวปั๊บเหมือนกับไฟว่วกแลก็เหลืองเหลืองแบบ เน้เหลืองแบบแล้องเนี่ยมันอ่อนนะไม่ใช่เหลืองแบบแห้งแบบไปไม่เปนั่งอยู่ไปร่มไม้ไปนั่งอยู่ อ, มมอดสมาด์นั่งทำจังหวะสร้ า, างจังหวะมันก็มีความสุขเห็นใบไม้ร่วงลงมาแล้วกับเพื่อนนี้กัน ว่องลมาไม่ขาดสายเลยในแต่ละวัดโลนลอมาจะตักกองอยู่ข้างๆโลนลงเราก็สร้างจังหวะไปมันเป็นพี่เป็นเพื่อนกันเป็นชีวิตรอบที่ดีอาจารย์ตน้นไม้ที่มัน ต่อสู้กับเสิ่งแวดลอ่ซึ่งเกิดจากภายนอกอยชีวิตของเราในที่เป็นทุกข์เนี่ยที่เหมือนหลงเหมือนจนทุกข์ก็ดีหมันโกรธ ก, กดีเกิดขี้เหนียวต้องทรมา์ก็ดีบางทีเกิดภายนอกไปยหนไม่ใช่เกิดภายนอกไปแต่นอกอย่างเดียว มันมาภายในด้วยตาเห็นรูปรูปภายนอกตาภายในมาให้เราได้พัฒนาได้ปัญญามันก็ได้ปัญญาจากกองสังขาร น, นี่จริงๆไนะม่เป็นสูตรนะถ้ามันมีสังขารมีรูปมีนามมันก็ไม่มีมรรคมีผล จะเอามาทำเป็นให้อย่าเอามาเป็นอื่นนะมาเป็นปัญญาทั้งหมดเลยอย่งใดที่เกิดกับรูปกับน้ำเกิดกับกายกับใจนี่เอามาเป็นปัญญาททั้งหมดเลยถ้าไม่มีรูปมีนามมันจะหาปัญญาที่ไหนจะหามรักแทผลที่ไหนถ้าพัฒนาจะเป็นมรรคเป็นผลถ้าไม่พัฒนาก็เป็นนรกหมกไหมเป็นอบายไปนี่น่าจะประมาท ความประมาทก็มีความไม่ประมาทก็มีกับการใช้ชีวิตเราจึงเป็นนักปริยัตินักกรรมฐานช่าหน่อยปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้การศึกษาเรื่องนี้ไม่มีว่าหาวิเลยที่ไหนที่สอนได้นอกจากตัวเราเองสอนตัวเราเองเหมือนความเจริญเติบโตของชีวิต ตัวเองต้องเกินเข้าเองต้องโต๊บโตเองการทําความดีต้องสมผัสเองเราจะปล่อยจะวางเองมันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์เองมันผิดไม่ไปตามผิดมันถูกก็ไม่ไปยินดียินร่าหรือจะปล่อยไปเอง ชั่วไม่ทำดีทำไปใจไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดปล่อยไปเรื่อยเป็นชีวิตขาลงมันมันง่ายการปล่อยการวางมันง่ายไม่เหมือนขึ้นจะเอาจะเอาหรือมันขึ้นมันลาบากถ้าลงลมันง่ายเออกระกับกระผลมันลาดลงนะไม่ใช่มันขึ้น เหนฝังทะเลเลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลุ่มลึกลงไปแต่ทั้งลึกเนี่ยมันก็ทวนนะทวนขาขึ้นหน่อยมันมีลงมีขึ้นมันก็มีขึ้นด้วยบางทีจิตนิสัยจิตนิสัยเรามันมันเคยขึ้น เคยขาขึ้นทวนวันเงินห้ามไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำนักผลเป็นอย่างนั้นก็จะไปที่ต่ำก็ต้องผ่านอะนรายต่างๆทวนกระแสรกระแสที่ลงไม่ได้ จะว่าขึ้นก็ได้จะว่าลงก็ได้คือมันคำว่าผ่านนี่คือมันทั้งขึ้นทั้งลงได้จึงฝึกตนสอนตนแด้บทเรียนเยอะแยะเาวิธีฝึกก็มีเยอะแยะอยู่ในควิตของเรานีทั้งหมด อย่าโทษแท้อย่าโทอถอยอย่าจานนตัวอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปกรรมนามเป็นสิ่งที่เราชนะได้ทุกเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกรรมนามนี่เมื่อมีความแก่ก็มีความไม่แก่เมื่อมีความเจ็บก็มีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตาย มองหละหลายทางเยอะแยะเลยนอกจากกันญาณมิตรที่อยู่ด้วยกันแล้วสิ่งแวลดล้อมต่างๆเป็นใจกับเราอยู่แม่เราไม่มีลูกเม่นหลานไม่น่าสิจะภูมิใจเราก็ภูมิใจกับสิ่งแวลดล้อมในสัตวโลกในธรรมชาติตาไมา้ที่อยู่บนโลกด้วยกัน อางทีเราเกิดจากเราด้วยมองไปเชียงน้อที่เร า, าทำความดีเห็นต้นไม้ที่เราได้ปลูกเด้ทาเอาไว้บางทีก็เกิดตอกออกผลเมื่อกว่าต้นไม้เป็นลูกของเราลูกของต้นไม้ที่เราปลูกเป็นหลานของเราลูกมันอีกเป็ น, เ, ปนเหรียญของเรามวงลำยลิ้นจี่มาไป ไดกินลูกลูกมันเกิดลูกอีกลูกมันเกิดลูกอีกแล้วก็มีความสุขอยู่ต้นไม้ดูอะไรต่างๆดูการโรงงานดูการทําดียิงไม่ควรทําชั่ววันผูมุ่งใจมันมีความสุขโดยช่วยได้ทําอัน น, นู้นได้คิดอันนี้ได้ช่วยเหลือได้ผ่านอะไรมา มาถึงวันนี้พ้นเลยมาวันต้องมีอะไรดีๆที่เรามานั่งอยู่ในี่ได้ม้เรามีชีวิตที่มานั่งยกมือช่างจะว่ามันพิเศษแล้วนะแล้วเดินจง ก, กรมอยู่นี่มันพิเศษแล้วนะมีใครบ้างที่มาเดินจง ก, กรมมีสตินี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะอาจจะทําชั่วในชั่วโมงที่เราทําดีบางคนนะ ชั่วงที่เรานั่งสร้างจังหวะคนเลยจะทําบาปทํากรรมมือห้านิ้ยิบนิ้วไปทําอะไรกําลังอาจาตัดชีวิตกําลังทําชั่วคชั่วผู้ชั่วกันอยู่แต่เรายังมานั่งฟังธรรมอยู่เวลานี่ชั่วโมงนี่แล้วก็เป็นโอกาสมันได้โอกาสมันดีแล้วนะเราเดินจง ก, กรม <c oughs> เรานั่งช่องจังหวะกลัวคนจะมาได้จะมานั่งยกมือได้อย่างนี้มันผ่านอะไรมาอา่านหลายอย่างแล้วกลัวจะมาลู่จิกตัวที่กายกายมันผ่านความหลงความลําบากกรรมไปรับใช่อะไรจิตใจไปรับใช่อะไรกลัวจะมาลู่จิกตัวเห็นใจตัวเองได้ช่วยใจตัวเองมันชิดไปโน่นได้กลมาลู่มีใครบ้างที่ทําอย่างนี้ กายที่มันประ ร, รมมาเดือนมันกลับมาลู้นี่มีใครบ้างจดจำอย่างนี้มาวันนี้เมล่นี่เราทาอยู่อย่างนี้น่าจะผมใจน่าจะกระตือรือ้นถ้าจะเป็นพรก็เป็นพรในกายในใจแล้วถ้าเป็นโชคก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วโจนถึงสละออกบวชโกนผมทิ่ง มาจากเมืองกีนมาจากหากเป็นหนมเป็นสาวอาขีพวกเราที่นั่งอยู่นี่แม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่ไม่ได้มาอยู่เหมือนเราเนีหลายคนที่มีลูกมีหลานกําลังห่วงลูกของหลานกังวลเพ้อฝันเรื่องห่วงโน่นห่วงนีงง้แต่เรามานั่งอยู่นี้ มานั่งจุหมือสร้างจาังหวะมาปล่อยวางวางขาลงมันไ ง, ไง่ายๆวางมีสามีก็วางมีพันญาก็วางวางใจไม่ใช่วางมือยังไปช่วยอยู่ยิ่งช่วยได้เออยอะหลังต่อก็ไปดูญาติตาย ก็ไปบอกลูกหลานมานั่งนี่มานั่งรอบศพ ข, ของแม่ดโลูกหลายคนมีแต่ครูเป็นครูทั้งหมดไม่ต้องพากันลงไห้นะอย่าไปร้องไห้แม่มีผลงานมากแล้ว ลูกนั่งอยู่นี่เป็นหน้าพักหน้าแรงของพ่อของแม่จะไปเสีอใจหลายแม่ทำดีที่ชุดแล้วแต่เรานี้จะดีเหมือนแม่ไรหรือเปล่าให้มาคิดเร้วนี้กันสองตาเห็นแม่ของพวกเธอเนี่ยตาแต่ไหนแต่ไรว่าแม่ของพวกเธอไม่ ลำบากันเลยเกิดมาเอา้าเต็มยุงย่งเต็มฉอไม่เคยเห็นไปเหยียบนาเลยนี่แต่เรื่องลูกลูกหลายคนเรื่องแต่ลูกไม่มีเวลาไปทํานาจนไม่มีใครตายชั่คนหนึ่งยังเหลืออยู่หมดเนี่ยจะได้เป็นครูกันทุกคนเนียเป็นผลงานของแม่ที่ทําดีที่สุดแล้วไม่เมืใครทําได้เช่นแม่เรานเนี่ะน้อยที่สุดแล้ว อย่าพะการร้องให้ไอ้แค่จะร้องให้ก็ร้องให้ให้ตัวเองเราไม่ดีเหมืนแม่แม่ไม่มป็นกายปกพ้องแล้วให้คิดถึงตัวเองมากกว่าคิดถึงแม่ไอ้คิดถึงแม่คิดถึงตัวเองอย่าทําชั่วแล้ <c oughs> วกลมดิชั่วให้ดได้เลยวันนี้เรยไปพอศบ <c oughs> อนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราทำดีแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเราทำชั่วคิดกันใหญ่มโอกาสทำดีกับพวอกับแม่แค่ไหนเพียงมีโอกาสทำดีกับตัวเองแค่ไหนมโอกาสทำดีกับเพื่อนมิเท่าไรมีโอกาสทำดีกับจริงวัลลอมเท่าไรให้มีความดี วันนี้ทำดีมากมากถึงห้าน่สิบเนวยมีสติจิตใจก็ปล่อยปล่อยบางบองวันจึงจะคุ้มค่าที่เราได้เกิดมาจากพอ่อจากแม่เนะี่ยตามดีบงมากวันนี้ชั่วโมงนี้อาจจะคุ้มค่านะต้อบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ใครใครก็มีลูกก็อยากให้ลูกเป็นคนดี ถ้าป เ, เป็นคนดีก็มีความสุขแล้วมีเมียก็อยากให้เมียเป็นคนดีมีสามีก็อยากให้สามีเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีก็สุขหัวใจชึ่งกันและกันแล้ววันอยู่ที่เรานี่แหละสิ่งที่ทำให้ดีเป็นเปิดเป็นกำเมิดเกิดความดีคือสติรู้สึกนิ่กายที่ใจนี่รู้สึกตัวนี่เป็นความดีแล้วความช่วก็อยู่ที่นี่แล้ว วันทยอยู่ที่นี่แล้วคือแขนเข้ารู้จึกอย่าแขนออกรู้สึกเนี่นี่เกิดที่นี่ความดีเกิดพุทธเจ้าเกิดที่นี่เกิดพลังเกิดที่นี่มีสติไปในกายมีสติไปใน จ, จิตใจสอนกายสอนจนิตนี่ให้หมนันสะสมมาปีเมื่อไงเอาดีๆหน่อยให้ดีกว่าปีเก่าหัานเลามาของรู้จัก จะดีอะไรของรู้จักทําแล้วก็ทําได้มือสิบนิ้วมือสิบนิ้วทําทั่วทำดีได้ก็ยันชั่วมาทําดีได้เดี๋ยวนี้ใจก็คิดได้วินาทีนี้ทันทีบรรลุธรรมทันทีปล่อยวางมิจิติลงรู้อย่าไปมีอะไรอดีตอนาคตจะวิ่งไปอยู่กับปัจจุบันให้รู้จักตัวอย่างนี้นะด้วยเช่นว่า ไอ้น้แต่บิแต่งงงอหลับนออชเนี่ยนะ